จลิดพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24กริบกรกฎาคมพุทธศักราชสอง3เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม มาละบาปทั้งปวงและมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงเพราะความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมนี้ก็มีคือการกระทํากระทําได้สามส่วนด้วยกันคือทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมและทางใจเรียกว่ามโนกรรมและ กรรมทั้ง3มชนิดนี้ทำเนี่อยู่สมรูปแบบด้วยกันคือกรรมดีเรียกว่าบุญกรรมชั่วเรียกว่าบาปแล้วก็กรรมที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วการคิดของเราการพูดของเราการกระทําของเรานี้คิดไปได้สามทางด้วยกัน คิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้คิดไม่ดีคิดไม่ร้ายก็ได้เมื่อคิดแล้วก็จะสั่งให้มีการกระทาทางวาจาและทางกายต่อไปดังนั้นการกระทาทางใจจึงเป็ น, เ ป, นเป็นตัวการที่สำคัญกว่าการกระทาทางวาจาและทางกาย เพราะการกระทำทางวาจาหรือทางกายนี้เกิดจากการกระทำทางทางใจคือความคิดถ้าคิดดีก็จะพูดดีทำดีถ้าคิดร้ายก็จะพูดร้ายทำร้ายดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะคอยเฝ้ามองอยู่เสมอหรือตลอดเวลา ก็คือความคิดของเราความคิดคือการกระทาทางใจใจเป็นใหญ่กายเป็นใจเป็นนายกายเป็นบาววาจาเป็นบาวกายกับวาจานี้ต้องได้รับคำสั่งจากใจคือความคิดเสียก่อนถ้าเราควบคุมความคิดของเราให้ดีได้ใจของเราก็จะคิดดี พูดดีทำดีถ้าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดร้ายได้ใจของเราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี mm hmm. เมื่อทำไปแล้วก็จะมีผลตามมาสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาภายในใจในขณะนั้น ถ้าคิดดีใจก็จะมีความสุขมีความสบายใจถ้าคิดร้ายใจก็จะมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนมีการกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายกระวนกระวายเพราะคิดไม่ดีแล้วเมื่อทำนี่คือผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ สำหรับชาตินี้ถ้าไปทำร้ายผู้อื่นกล่าวร้ายผู้อื่นก็จะถูกเขาไปฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาจับเราไปลงโทษได้เราก็อาจจะต้องไปใช้ใช้หนี้ในคุกในตารางหรือถูกปรับถ้าเราไม่พูดเสยางไม่ทำสยางคือไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสยอย่าง ก็จะไม่มีผลที่จะทำให้เราต้องไปรับใช้กรรมไปใช้หนีนะ้นี่คือผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในชาตินี้ส่วนผลที่จะตามมาในชาติต่อไปก็คือถ้าเราทำบาปเราก็ต้องไปใช้หนี้ในอบายต่อไปติดคุกติดตารางทางของจิตวิญญาณ เพราะหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วจิตของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตของเราก็จะถูกกรรมส่งไปตามบุญตามกรรมที่เราได้ทำเอาไว้ถ้าเราทำบาปเราก็ต้องไปใช้บาปในอบายไปเกิดเป็นเปรตไปติดคุกในนรกหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉาน นี่เป็นวิบากรรมหรือผลของการกระทำบาปที่เกิดจากความคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีส่วนผลที่เกิดจากการคิดดีพูดดีทำดีก็คือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตวิญญาณก็จะไปรับรางวัลไปรับรางวัลบนสวรรค์ ไปเป็นเทพไปเป็นถมไปเป็นพระอริยเจ้าจนถึงขั้นสูงสุดคือไปพระนิพพานผลเป็นผลที่เกิดจากการคิดดีพูดดีทำดีเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่กฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้มีข้อยกเวน้นว่าทำไปแล้วเพราะไม่เชื่อหรือไม่รู้ แล้วจะไม่ต้องไปรับผลของบุญหรือของบาปนี่ไม่ได้มีข้อยกเว้นเชื่อหรือไม่เชื่อรู้หรือไม่รู้ทำไปแล้วจะต้องรับผลอย่างแน่นอนผลที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนก็คือในปัจจุบันนี้เวลาที่เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจนั่นแหละเป็นอนิสงส์หรือเป็นผลของความคิดไม่ดี เช่นเราคิดร้ายอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมใจของเราจะลุกเป็นไฟขึ้นมานี่เขาเรียกว่านารกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นรกหรือสวรรค์นี้ความจริงไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของใจเราใจของเรนี่แหละที่เป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ถ้าเกิดจากบุญ หรือบาป ท, ที่ใจของเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาพอเราสร้างบุญขึ้นมาใจของเราก็เย็นมีสุขมีสบายเราใจของเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาตัวเราก็เป็นเทพขึ้นมาทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดร้ายอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมพูดร้ายทำร้ายผู้อื่น ใจของเราก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมามีความทุบร้อนขึ้นมาทันทีใจของเราก็เป็นนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างทั้งๆ ท, ที่เรายังมีร่างกายของมนุษย์อยู่แต่ใจของเรานั้นได้แปรสภาพไปแล้วจะเชื่อหรือไม่หรือจะรู้หรือไม่ หรือจะอยากหรือไม่ก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามผลที่จะเกิดขึ้นได้ผลเกิดจากเหตุคือการกระทาดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ผลไม่ดีเกิดขึ้นเราต้องสร้างแต่เหตุที่ดีเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องการต้นไม้หรือผ ล, ลไม้ชนิดใดเราก็ต้องปลูก ต้นไม้ชนิดนั้นเราต้องการส้มเราก็ต้องปลูกส้มเราต้องการทุเรียนเราก็ต้องปลูกทุเรียนเราถึงจะได้ผลที่เราต้องการกันพวกเราทุกคนก็ต้องการความสุขความเจริญต้องการไปสู่สุขคติต้องการไปสู่มรรคผลนิพพานเราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี แล้วก็ละเหตุที่ไม่ดีเราถึงจะสามารถได้ผลที่เราต้องการได้นี่เป็นหน้าที่ของเราไม่มีผู้อื่นทำแทนเราได้เช่นวันนี้เรามาทำบุญและเราจะมาทำแทนสามีหรือภรรยาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องหรือเขาไม่มีเจตนาศรัทธาที่จะทำ ทำไปแล้วกลับไปบอกเขาว่าได้ทำบุญให้แล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเราไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วกลับไปบ้านบอกว่าวันนี้รับประทานอาหารเผื่อคุณแล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเพราะเขาไม่ได้รับประทานอาหารด้วยถ้าเขาอยากจะได้บุญเขาก็ต้องทำด้วยตัวของเขาเองหรือ บางอย่างก็ฝากคนอื่นมาทำแทนได้เช่นทำทานอย่างนี้ถ้าไม่สบายไม่สามารถมาวัดได้แต่มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอยากจะบริจาคให้เป็นทานให้เป็นบุญก็ฝากผู้อื่นมาทำแทนได้อย่างนี้เขาก็จะได้บุญต้องเป็นของของเขาเองของคนอื่นนี้เขาไม่ได้บุญ เช่นคนอื่นเขาทำบุญแทนเราเขาบอกว่าเขาได้เอาเงินปล่บริจาคถวายวัดอย่างนี้แล้วบอกว่าทำให้กับเราอย่างนี้เราไม่ได้ผลบุญแต่อย่างใดเพราะไม่ได้เป็นเงินของเราต้องเป็นเงินของเราการทำทานนี้ต้องให้ของที่เป็นของเราและต้องเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์คือไม่ได้มาด้วยการ ทำบาปทำกรรมเช่นไปรักขโมยไปช่อโกงได้ผลเหมือนกันแต่ต้องได้บาปด้วยคือได้ทานคือการให้เช่นเราไปขโมยเงินมาร้อยบาทแล้วเราเอามาทําบุญเราจะได้บุญจากการทําเงินร้อยบาทนี้แต่ในขณะเดียวเราก็จะได้บาปด้วยคือ เงินที่เราเอามาทำบุญนี้จากการที่ได้มาจากการทำบาปนี้ไม่สามารถไปลบล้างบาปที่เราทำได้บาปก็ต้องเป็นบาปบุญก็ต้องเป็นบุญแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่เราได้ขโมยเงินมาแล้วเราไม่ได้เก็บเอาไว้ใช้เองเราเอามาทำบุญอย่างนี้เราก็ยังได้บุญแต่เราก็ได้บาปด้วย ถ้าตายไปก่อนที่เราจะไปรับผลบุญเราก็ต้องไปใช้บาปก่อนต้องไปเกิดในอบายก่อนพอหมดหมดหมดหมดโทษแล้วเราถึงไปรับผลบุญในสวรรค์ต่อไปหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีกำลังทรัพย์มากกว่าเดิมอย่างนี้เป็นไปได้ ดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญแต่ไม่อยากจะทำบาปเราก็ทั้งให้สิ่งที่เป็นของเราและเป็นสิ่งที่เราได้รับมาโดยไม่เกิดจากการกระทำบาปเราถึงจะได้ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมเพราะว่าเรื่องของบาปก็เป็นเรื่องของบาปเรื่องของบุญก็เป็นเรื่องของบุญ เหมือนต้นไม้สองต้นเราปลูกต้นไหนเราก็ต้องได้รับผลจากต้นนั้นเราทำบุญเราก็จะได้รับผลบุญเราทำบาปเราก็จะได้รับผลบาปไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้เราทาบุญแล้วก็ละบาสด้วยนอกจากการทำบุญและละบาปแล้วท่านยังต้องสอนให้เรา ชำระใจคือความคิดของเราให้สะอาดถ้าความคิดของเราสกปรกหรือคิดร้ายก็จะทำให้เราไปพูดร้ายทำร้ายถ้าความคิดของเราสะอาดบริสุทธิ์เราก็จะคิดดีพูดดีทำดีใจของเรายึงต้องได้รับการชำระด้วยถึงจะทำให้ การกระทำของเรานั้นมีแต่การกระทำที่ดีพูดดีคิดดีถ้าเรายังมีใจที่สกปรกมีกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจอยู่แล้วมันก็จะทำให้เราคิดไม่ดีก็คือคิดโลภคิดโกรธคิดหลง เวลาโลภนี้ใจก็จะคิดไม่ดีแล้วเพราะจะต้องหาวิธีต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มาเวลาโกรธก็จะหาวิธีต่างๆที่จะไปทำร้ายผู้อื่นเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นตัวการของบาปทั้งหลายนั่นเอง เป็นต้นเหตุของบาปทั้งหลายถ้าจะไม่ทำบาปได้อย่างถาวรก็ต้องตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปให้ได้ถ้าหมดแล้วความคิดจะคิดแต่ดีจะไม่คิดโลภจะไม่คิดโกรธจะไม่คิดหลงเมื่อไม่คิดโลภคิดโกรธคิดหลงแล้ว ก็จะไม่พูดร้ายจะไม่ทำร้ายผู้อื่นอย่างแน่นอนเช่นใจของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นถึงแม้ว่าผู้อื่นจะคิดร้ายต่อท่านพูดร้ายต่อท่านทำร้ายต่อท่านแต่ท่านจะไม่ตอบโต้เช่นพระพุทธเจ้าถูกพระเทวทัตลอบลงพระชน ถึงสามครั้งด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยคิดร้ายต่อพระเทวทัตเลยไม่คิดอาฆาตพยาบาทไม่คิดล้างแค้นแต่กลับมีความเมตตาสงสารเพราะทรงเห็นด้วยพระปัญญาว่าเขาจะต้องไปรับใช้กรรมในนรกจะต้องไปตกนรก แทนที่จะได้ไปมรรคผลนิพพานเพราะอยู่ใกล้แล้วได้มาบวชแล้วได้ทาบุญได้สละทรัพย์ทั้งหมดแล้วได้รักษาศีลอยู่เป็นประจำได้สมาธิแล้วแต่ยังไม่ได้ปัญญาเท่า น, นั้นเองถ้าได้ปัญญาเอามาชำระความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่ไปทำบาปแต่พระเทวทัต มีความหลงผิดคิดว่าตนเองวิเศษเพราะมีคุณธรรมวิเศษคือมีฤทธิ์มีเดช ท, ที่ได้จากการนั่งสมาธิแต่ไม่รู้ว่าฤทธิเดชนี้ไม่ใช่เป็นธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี้จะต้องหลุดพ้นจากปัญญา คือจะต้องเห็นสภาวธรรมทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะความรู้นี้จะไปดับความหลงที่เป็นเหตุทำให้เกิดความโลภความอยากได้และความโกรธที่จะตามมาถ้ามีแต่ฤทธิ์มีแต่เดชแลวคิดว่าตนเองเก่งเช่นพระเทวทัต คิดว่าตนเองเก่งกล้าที่จะไปขออนุญาตลับหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงเห็นว่าพระเทวทัตยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะปกครองผู้อื่นได้เพราะจิตใจยังคิดร้ายอยู่ยังมีความโลภความโกรธความโงอยู่ ถ้าไปปกครองก็จะปกครองแบบไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมก็จะทําให้เกิดความเสื่อมเสียตามมาแม้แต่พระอาหารหันตสาลกรูปอื่นๆที่ได้ชําระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจดแล้วไม่มีความโลภความโกรธความหลงเหลืออยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้แต่งตั้งให้ใครเป็นผู้ ปกครองสงฆ์แทนพระองค์แม้แต่ในวาระสุดท้ายตอนที่พระองค์จะจากไปพระองค์ก็ได้ทรงสั่งเอาไว้ว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตักไว้ชอบนี้แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พวกเรากราบไ่ว้บูชากล่าวสรรเ ส, เสริญว่าเป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมที่ตรัดไว้ชอบนี่แลนี่แลคือเป็นศาสดาของพวกเราทั้งคารวะและบรรพชิตเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งภาคภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองสงต่อไป จังนใดพระทุกรูปปุูบาจารย์ทุกรูปก็ไม่ได้แต่งตั้งใครขึ้นมาให้เป็นผู้ปกครองสงแต่ปล่อยให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยสงฆ์นี้ท่านปกครองด้วยอาวุโสพันเตคือผู้ที่บวชก่อนนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสเป็นผู้ที่สูงกว่าผู้ที่บวชหลังแม้แต่หลังเพียงหนึ่งนาที ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ต่ํากว่าผู้ที่ต่ํากว่าจะต้องเคารพผู้ที่สูงกว่าเสมอและจะไม่ก้าวไายในหน้าที่ของผู้ที่สูงกว่าต้องรอไปจนกว่าผู้ที่สูงกว่านั้นท่านตายไปหรือท่านสละหน้าที่ไม่สามารถทําหน้าที่ได้เท่านั้นถึงจะเป็น หน้าที่ของผู้ที่อ่อนพัรษากว่าจะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ต่อไปหรือถ้าได้รับการมอบหมายจากผู้ผู้ที่อาวุโสกว่าให้ช่วยทำหน้าที่แทนในบางครั้งในบางกรณีหรือตลอดไปก็เป็นเรื่องของผู้ที่มอบหมายแต่โดยหลักแล้วท่านจะไม่มอบหมายหน้าที่ให้กัน ท่านก็จะปล่อยให้เป็นไปตามหลักของอวุธโสพันเตะถ้าผู้ผู้ใหญ่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้แล้วผู้น้อยก็จะทำหน้าที่แทนต่อไปจะไม่มีการแข่งแย่งกันในระหว่างพระภิกษุสงฆ์จะไม่มีการแข่งแย่งมรดกกันเหมือนกับขารวารญาติโยมที่เวลาพ่อแม่ตายไปแล้ว จะแข่งแย่งทรัพย์สมบัติกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักไว้แล้วในการปกครองสงฆ์ท่านให้เป็นไปตามอาวุโสตามตามอายุพรรษาผู้ที่มีอายุพรรษากว่าสูงที่สุดก็เป็นผู้ที่รับภาระหน้าที่ปกครองดูแลสงฆ์ต่อไป นี่คือหลักทรรหลักวินัยเป็นอย่างนี้สงจึงไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกับทางคารวะกันคารวะนั้นจะต้องขึ้นศาลฟ้องพี่ฟ้องน้องฟ้องพ่อฟ้องแม่กันเพราะอะไรเพราะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงที่มีฝังอยู่ในหัวใจนี้เองที่ยังไม่ได้รับการชำระพอ มีเกิดความโลภขึ้นมานี่ก็เริ่มจับจองกันแล้วบางทีพ่อแม่ยางไม่ตายก็แย่งกันเป็นผู้จัดการมารดกกันแล้วนี่คือเรื่องของอำนาจของความโลภเป็นอย่างนี้พอมีความโลภแล้วจะไม่มีความสุขใจจะมีความรุ่มร้อนจะมีความ ก, กาังวลก歪กระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับ มันคุ้มค่าหรือกับการที่ได้เป็นผู้จัดการมรดกหรือได้เป็นผู้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นใหญ่เป็นโตแบบนี้ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นโตแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตแบบพระอรหันตสาวกท่านเป็นใหญ่เป็นโตด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความหยากไม่มีความโกรธไม่มีความหลง ท่านอยู่อย่างปกติอย่างสบายท่านไม่เดือดร้อนไม่ได้เป็นใหญ่ท่านก็จะไม่เรียกร้องอะไรใครอยากจะเป็นใหญ่ก็เป็นไปถ้าขัดหลักทรรมหลักวินยัยมันก็เป็นใหญ่แบบกิเลสเป็นใหญ่แบบสุนะัขเป็นใหญ่แบบเดรัจฉานคือใช้กําลังเป็นใหญ่ไม่ได้ใช้คุณธรรมเป็นใหญ่ ถ้าใช้คุณธรรมแล้วก็ต้องว่ากันไปตามหลักธรรมหลักวินัยตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราทุกคนปฏิบัติยึดถือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกฎเป็นเกณฑ์แล้วรับรองได้ว่าเราจะอยู่กันในโลกอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีการทะเลาะวิวาสจะไม่มีการแก่งแย่งชิงดี ทุกคนจะอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายตามอัตภาพของตนพอทุกคนยอมรับความจริงว่าทุกคนมีบุญมีกรรมมาไม่เท่ากันเราทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันดังนั้นเราจะมีความสุขมีความทุกข์ไม่เท่ากันมีความสูงมีความต่ำไม่เท่ากันมีความร่ำรวยมีความยากจนไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจะจนจะสูงหรือจะต่ำเราทุกคนสามารถมีความสุขได้เท่าๆกันถ้าเรารู้จักคาว่าพอถ้าเราสามารถกำจัดหรือเอาชนะความโลภความหลงได้ความโกรธได้ใจของเราก็จะมีความสุขเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้า ใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพระอาหารหันตสาวกทุกคนท่านมีความสุขเท่ากันหมดใจของท่านมีความสุขเท่ากันแต่พรรษาของท่านไม่เท่ากันหรือลาบสักการะของท่านไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นปัญหากับท่านแต่อย่างใดองค์ใดมีลาบสักการะมากท่านก็นุโมทนายินดีกับบุญของท่านที่ท่านได้ทามาองค์ใดที่มี ที่มีกรรมท่านก็ทำใจเป็นอุเบกขาหรือแผ่เมตตาให้ความสงสารแต่ท่านจะไม่มีการอิจฉาริษยาจะไม่มีการแก่งแย่งชิงดีอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่ได้เป็นของตนหรือไม่ได้มาด้วยวิธีที่สุดจริตแล้วก็อยู่แบบไม่มีจะดีกว่าดีกว่ามีแบบที่แบบ แบบจิตใจที่ไม่ดีคือได้มาด้วยความโลภได้มาด้วยความแก่งแย่งชิงดีจะไม่มีความสุขและจะไม่มีความพอได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังจะมีความรู้สึกว่าไม่พอใจลักษณะนี้ท่านเรียกว่าเป็นใจของเปรยเปรยนี้จะไม่มีคาว่าพอต่อให้ได้มากเพียงไรก็ตาม จะไม่รู้สึกว่าพอรับประทานอาหารจนพุงกลางแล้วก็ยังรู้สึกไม่อิ่นนี่แหละเป็นกรรมที่แท้จริงกรรมที่ใจไม่เหมือนกับคนที่รู้ที่มีคําว่าพอรู้จักคําว่าพอรับประทานอาหารพอร่างกายพอท้องรู้สึกจะอิ่มแล้วก็ไม่อยากจะรับประทานอิ่มแล้วสุขแล้วสบายแล้วจะเอาอย่างไหน จะรับประทานแบบภูมิกางแต่ใจยังหิวอยู่หรือจะรับประทานแบบใจที่ไม่มีความโลภรับประทานเท่าที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายความสุขของเราอยู่ที่ความพอไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยไม่มีเลยก็มีความสุขได้มีมากก็มีความสุขได้ถ้ามีคำว่าพออยู่ในใจนี่คือ เรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้เรื่องของบุญเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วใจของเราจะถึงเมืองพอพอถึงเมืองพอแล้วจะไม่ยินดียินร้ายกับอะไรทั้งนั้นจะได้มากจะได้น้อยจะไม่เป็นปัญหาจะทุกข์จะสุขทางกายจะไม่เป็นปัญหา จะได้หรือจะเสียอะไรไปก็จะไม่เป็นปัญหาจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เป็นปัญหาทั้งสิ้นพอใจพอกับทุกสภาพพอใจกับความแก่พอใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพอใจกับความตายใจจะไม่มีความตื่นเต้นหวาดเสียวหวาดกลัววุ่นวายแต่อย่างใดเลย เพราะไม่มีเหตุที่จะไปทําให้ใจเกิดความทุกข์ทรมานใจความทุกข์ทรมานใจนี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดจากอย่งอื่นเลย <Yeah. S 1> พอไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้ว <Yeah. S 1> ก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจหลงเหลืออยู่เลย <Yeah. S 1> นี่แหละคือใจของพูท ของพระพุทธเจ้าและพละระอรหันตสาวกท่านเป็นอย่างนี้เป็นใจที่มีความสุขตลอดเวลาทาั้งๆที่ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองเหมือนผู้อื่นไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีอะไรมีแต่บริขารแปะท่านนั้นมีบามีใจจีวรมีเข็มไว้สำหรับ เย็บจีวรมีเข็มกับได้ไว้ปะเย็บจีวรมีบาทไว้หาอาหารมีที่กรองน้ำไว้สำหรับกรองน้ำมีมีโกนไว้สำหรับปรงศรีรษะแล้วก็มีประคดเอวคือเข็มขัดไว้รัดเอวก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วพอแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือสมบัติของนักบวช อัฐบริขารแปชิ้นด้วยกันอัฐแปลว่าแปดบริขารก็คือเครื่องใช้สอยอัฐบริขารก็คือเครื่องใช้สอยแปดชิ้นของพระมีเท่านี้ก็มีความสุขได้แล้วมีความสุขอย่างยิ่งใหญ่ได้แล้วคือสุขแบบพระพุทธเจ้าสุขแบบพระอาหารหันตสาวกได้แล้ว อยู่ที่การชำระกายวาจาใจนี้เองชำระให้มันสะอาดรับรองได้ว่าจะไม่อยากจะได้อะไรเีกเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะวิเศษเท่ากับความบริสุทธิ์ใจความสะอาดของใจนี้แล้วก็คือพระนิพพานนี้เองอย่างนั้นจึงขอฝากเรื่องการมีศรัทธาในกฎแห่งกรรม ว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือให้ทำบุญทั้งหลายให้ถึงพอทำความดีทั้งหลายให้ถึงพอให้ละบาปทั้งปวงเสียแล้วก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดเส้นไปจากจิตจากใจแล้วความสุขและความเจริญทั้งหลายจะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็แหงว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน์ไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพลิกันกในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย